ท่านฟังที่เคารพคะ่ะรายการสสนีสนทนานะคะเราเพิ่งเริ่มต้นรายการกันไปได้ไม่เท่าไหร่แต่คนที่ปฏิบัติตามที่พระมารชาคาวโรวัฒนาปะพงลำลูกาคลองสิบนะคะได้นำไปเป็นพุทธวจนะของพระศาสดานั้นก็คงจะกำลังอยู่ในความรู้สึกที่ดีมากเดี๋ยวดิฉันจะนำท่านทั้งหลายเนี่ยไปพบกับ ประสงค์รูปที่สองของรายการกันต่อเลยก็แล้วกันนะคะนั่นก็คือพระเพรบุญอภิปุนโนค่ะนักสกการะท่านคะเชนพรค่ะพูดถึงคนที่นั่งสมาธิเนี่ยแล้วก็ฟังรายการยาวมาถึงช่วงของท่านเพรบุญเนะะี่ยค่ะอื ม, มีบางคนเขาบอกดิฉันบอกว่าอย่างเงี้ยเขาไม่เรียวกว่าเป็นสมาธิอืมคือเหมือนกับว่าสมาธิมันต้องจิตเป็นหนึ่งใช่ถ้ามาฟังการสนทนาเนี่ย จิตจะไม่เป็นหนึ่งอย่างไรถูกอย่างไรผิดก็ได้คอา่าทั้งนี้เราฟังพุทธปัญญาดีกว่าเนะพระเช้าพูดถึงการเหตุปัจจัยที่เมื่อฟังธรรมแล้วจะทําให้ฟังธรรมรู้เรื่องได้เนี่ยนะหรือสามารถก้าวลงสู่นิยามได้เนี่ยหนึ่งในสิบสามเหตุปัจจัยนั้นจิตคุณต้องเป็นเอกคตาคือเป็นหนึ่งเป็นสมาธินั่นเองพูดง่ายๆง่ายถ้าจิตคุณเป็นสมาธิแล้วคุณฟังธรรมคุณจะเข้าใจจิตคุณไม่เป็นสมาธิคุณฟังธรรมคุณก็ไม่เข้าใจอ๋อ เพราะมันมันฟังไปด้วยแล้วจิตก็เป็นสมาธิไปโดยได้นะออก็เท่ากับว่าเกื้อกูลกันใช่แล้วเอาพูดง่ายๆเวลาคุณไปประชุมคุณฟังคุณครูสอนในห้องเรียนนหรือว่าคุณฟังสัมมนาอะไรที่ไหนอยู่ถ้าจิตเราไม่เป็นสมาธิเดี๋ยวโทรศัพท์ก็เข้าเดี๋ยวเพื่อนก็กวนเดี๋ยวคนนี้ก็ถามนั่นเราฟังไม่รู้เรื่องหรอกดิฉันกำลัลงเข้าใจว่าจะเป็นสมาธิที่มีความแตกต่างกันอยู่บ้างกับการที่ ไม่ไม่ต้องฟังอะไรเลยอ อ, อย่างนั้นไหมคะทําให้บางคนเข้าใจผิดว่าไอสมาธิเนี่ยคือการที่แบบไม่เหลืออะไรเลยแล้วเบิดแหลกเละหมดอย่างนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นสมาธินี่คือความที่จิตเป็นหนึ่งต น, นั้นเองจิตเป็นหนึ่งเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่เหลืออะไรนะหรือว่าเหลือแค่หนึ่งเดียวไม่ใช่อย่างนั้นเป็นอาการที่จิตเนี่ยไม่ไปอยู่ในแดนลบคือพระพุทธเจ้าเคยแบ่งความคิดทั้งปวงในโลกนี้ออกเป็นสองส่วนถูกไหมส่วนที่เป็นก็เรียกว่า มิจฉาสังก Finished ปะส่วนที่เป็นกรารส่วนที่เป็นพยาบาส่วนที่เป็นเบียดเบ Be ียนนำไปไว้ส่วนหนึ่งส่วนที่2คือส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องด้วยกรารไม่เกี่ยวข้องด้วยพยาบาทไม่เกี่ยวข้องด้วยความเบียดเบียนอั่นอีกส่วนหนึ่งออตรงนี้ตรงนี้เรียกว่าสัมมาสังกงป ะ, ะ, ะถ้าจิตของเราไปคิดเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องด้วยกรารไม่เกี่ยวข้องด้วยพยาบาสไม่เกี่ยวข้องด้วยเบียดเบียนแล้วมีปิติสุขเกิดขึ้นอันนั้นแหละคือสมาธิระดับที่หนึ่งแล้ว อันนี้น่าสนใจมากเลยครับคุณฟังเพราะท่านไพบุญคะที่ฉันเข้าใจว่าคนที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยจะมีอยู่เป็นจํานวนไม่น้อยซึ่งเราเองก็เคยเป็นแบบนี้นะคะว่ามีความรู้สึกว่าเรามันทําสมาธิคงจะไม่ได้เพราะว่าในขณะที่คิดว่ามีสมาธิแล้วจิตก็ยังไปรู้เรื่องโน้นเรื่องนี้เดี๋ยวก็เรื่องนั้นเข้ามาเดี๋ยวก็เรื่องนี้เข้ามามเราก็พยายามทําให้เกิดสมาธิแต่อยู่ได้ไม่นาน เดี๋ยวเรื่องนั้นก็ามาเดี๋ยวเรื่องนี้เข้ามาในลักษณะที่ดิฉันกําลังพูดอยู่เนี่ยมีสมาธิเกิดขึ้นแล้วจรงิงหรือไม่หรือยังอย่างไรคะคือคือในกรณีของที่คาถามคุณโยมติวเนี่ยเราต้องพูดถึงระดับก่อนว่าระดับไหนคุณพูดถึงถ้าคุณพูดถึงระดับแรกเนี่ยระดับที่หนึ่งเลยขั้นตน้ตนๆพื้นๆไว้เรียนหนังสือไว้ทำข้อสอบให้แก้ปัญหาพวกนี้คุณมีสมาธิแล้วค่ะอ่าคุณมีสมาธิแล้วทีนี้ส่ระดับที่ลึกขึ้นไประดับที่ความคิดที่ไม่ใช่คําพูด อย่างเวลาที่เราจะพูดหน้าที่ชุมชนอย่างเงี้ยบางคนเรียบเรียงเป็นสุนทรพจน์เป็นก็เรียกว่าเป็นสปีชเอาไว้ก่อนถูกไหมเขียนออกมาแล้วก็อ่านตามอันนี้เป็นความคิดที่มีคําพูดระบุไปแล้วแต่ ถ, <ะ>ถ้าเป็นความคิดบางอย่างที่ไม่ต้องเรียบเรียงเอาไว้ก่อนในบางทีคุณโยมติวถามอาประมาณอย่างเงี้ยเรามาตอบ่วกไปเลยความคําพูดของเราตรงนี้ไม่ได้เรียบเรียงเป็นบทเพยียนชนะเอาไว้ก่อนค<ะ>อันนี้ชจะเป็นสมาธิที่ลึกเข้าไปนะประเด็นตรงนี้ก็คือว่าบางทีเนี่ยเวลาที่เราไม่ต้องการคิดอะไรเลย ความคิดที่มันดีๆมันโผล่ขึ้นมาเอาอีกทีนึ่ง น, นะสมาธิที่ลึกขึ้นไปเนี่ยคือไม่ต้องคิดอะไรเลยถูกไหมพอเราไม่อยากจะคิดอะไรเลยเนี่ยนะปรากฏมันมีความคิดเรื่องที่ดีๆโผล่ขึ้นมาไอความคิดเรื่องที่ดีๆเนี่ยเป็นตัวกวนนะพระอาจารย์บอกเป็นอาพาธของสมาธิระดับที่สองนั้นอ่าเป็นอาพาธก็เดี๋ยวดิวฉันขอขัดตรงนี้ได้ไหมคะได้ได้คือเหมือนกับว่าอ่าดังนั้นคนที่มีงาน หรือมีเรื่องยากๆแล้วก็ลุยไปข้างหน้าคิดคิดคิดคิดอย่างเดียวนะคะคิดหัวถ้าแตกคิดไม่ออกลองไม่คิดดูบ้างจะมีความคิดที่ดีเกิดขึ้นอย่างนั้นหรือเปล่าคะอันนี้ก็เป็นไปได้เป็นไปได้ในการที่ดิฉันบอกว่าลองไม่คิดดูบ้างเนี่ยเป็นอันเดียวกับที่ทําสมาธิแล้วไหมคะมันเป็นอย่างนี้คือเวลาที่เราคิดมากเนี่ยนะมันจะมีอาพาธของความคิดมากเนี่ยคือความคิดที่ไม่ดี คุคิดมากเนี่ยไม่ใช่ว่าคุณจะคิดดีได้หมดอถ้าคุณคิดดีได้หมดดีมากแต่มันจะมีสิ่งที่คิดไม่ดีโผล่ขึ้นมาด้วยอนั้นจะเป็นสิ่งที่ทําให้สมาธิคุณตกลงไปเพราะนั้นพระเจ้าจึงบอกว่าเฮ้ยถ้าเราไม่ต้องการอาพาธคือความคิดไม่ดีอนันต์มาขวนความคิดที่ดีใช่ไหมคุณไม่ต้องคิดถ้าคุณไม่ต้องคิดใช่ไหมไอ้ความคิดไม่ดีเนี่ยมันจะไม่มากวนสิ่งที่จะมากวนคือความคิดที่ดีแทนอมันก็จะงเหลือแต่ความคิดดีที่มันดีใช้งานได้ work ก็จะไหมคือถ้า <c oughs> เอาเขาพูดภาษาบุรุษชาเนี่ยคือชันหนึ่งเราพูดถึงชันหนึ่งเนี่ยสมาธิาระดับที่หนึ่งเนี่ยจะมีตัวกวนคือความคิดทางการปยาบาทเิเบี่ยเบียนซึ่งความคิดทางการปฏิบัทิเบี่ยเบียนเนี่ยเป็นตัวที่ทําให้จิตของเรามไม่เป็นสมาธิ <c oughs> ทีนีน้ความคิดสมาธิาระดับที่1เนี่ยเป็นสมา ธ, ามาธาิอย่างที่จะต้องมีความคิดอยู่ใช่ไหมทีนี้ถ้าเราบอกว่างั้นเราเลื่อนไประดับสองระดับสองนี่คือสมาธิอย่างที่ไม่ต้องมีความคิด เพราะฉะนั้นสมาธิระดับที่สองอย่างที่ไม่ต้องมีความคิดเนี่ยมันจะมีตัวกวน ค, <ะ S 1> คือไอสมาธิอย่างที่จะต้องมีความคิดเนี่ยมันจะมากวนสมาธิอย่างไม่ต้องมีความคิดค่ะเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นทําให้สมาธิเราละเอียดขึ้นลึกขึ้นถ้าเราเราเข้าสมาธิได้ลึกๆนะคือลองดูอันนี้ต้องทดลองดูจริงไหมบางคนอาจจะบอกโอ้ยเป็นไปได้ยังไงคิดแทบตายยังคิดไม่ออกเลยอืมนะคะ อ, อทีนี้พอพอมีความคิดมากวนเนี่ยทําให้เขาบางคนนะ บางคนก็จะเป็นกังวลเป็นเครียดเป็นปวดหัวต่างๆซึ่งจะทําให้นิวรเข้ามาแทรกได้ทันทีเราก็ทําอย่างเป็นธรรมชาติแหละคุณโยมติ๋วแต่ถ้าเราทําอย่างเป็นธรรมชาติค่อยๆเป็นค่อยๆไปทีนี้บางคนเนี่ยไปบังคับจิตไม่ให้คิดหรือว่าตัวเองยังคิดอย่างยังมีปัญหาอยู่ยังคิดไม่ค่อยดียังคิดดีไม่ค่อยได้อย่างเงี้ยแล้วพยายามที่จะทําให้ลึกซึ้งขึ้นไปเนี่ยพุทธเจ้าเคยเปรียบเหมือนกับแม่โคภู้เขา เข า, าพยายามจะไปกินหญ้าหรือไปกินน้ําที่ภูเขาอันใหม่นะแล้วก็ไอ้ที่ตัวเองยืนเหยียบอยู่เนี่ยยังไม่มั่นคงเลยก็เท้าก้าวเท้าหน้าออกไปก้าวเท้าหน้าออกไปก็ไม่มั่นคงตัวเองถอยหลังกลับก็ไม่ได้ก็คว่ำทั้งคู่ก็จะจะไม่ดีเรื่อะนี้มันจะเข้าตําราเดียวกับไม่ใช่เข้าตําราค่ะเป็นเรื่องเดียวกันกับคําถามที่ดิฉันเพิ่งเจอมาไหมก็เป็นเพื่อนที่เขายังไม่เคย ปฏิบัติสมาธิสักเท่าไหร่มัคะเขาก็ถามไปเช่นว่าแล้มีวิธียังไงเนี่ยที่จะทําให้เข้าสมาธิได้เร็วๆอืมอ่า อ, อันนี้เป็นพุทธศาชนะเลยเหตุปัจจัยที่จะทําให้เข้าสู่สมาสมาธิได้เนี่ยนะคือความอดทนนะถ้าเธออดทนต่อ ต, อตาหูจมูกลิ้นกายห้าอย่างนะอดทนต่อสิ่งห้าอย่างเนี้ยจะเป็นเหตุปัจจัยที่ทําให้เข้าสู่สมาสมาธิได้อืมว่างั้นก็คือต้องต้องอดทน อ ด, อดทนต่อตาหูจมูกลิ้นกาย<ม>อือย่างอย่างคนคที่เคยไปเที่ยวอินเดียนะค่ะอาจจะมีประสบการณ์นี้ว่ากลับมาแล้วเนี่ยแหมเข้าสมาธิได้เร็วมากขึ้นเท่าพี่บุญครับอดิฉันจับจากผู้ทวัชนะบทเพียรชนะเนี่ยเขาบอกว่าถ้าจะหาปัจจัยที่จะทําให้เข้าสมาธิได้คือต้องอดทนต่อตาหูจมูกลิ้นกายตาหูจมูกลิ้นกาย ห้าอย่างเองใช่และใจนี่ไม่ต้องทนหรอคะเอ่อก็พระพุทธเจ้าตัดไวแค่นี้อ่ะเนาะอืมสมมุติว่าบางคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะแต่อีปัญหาเนี่ยมันเกิดจากความคิดอ่ะแล้วความคิดเป็นตรงไหนของตาหูจมูกลิ้นกายเออไม่มีพราะสมมุติว่าอ่าบางคนเนี่ยถ้าทนแบบอตาไปเห็นนี่มันเข้าใจง่ายนะคะท่านคะจมูกไปโดมกลิ่นนะคะจมูกเขี่ยวสูตดฮาของหอมเนี่ยเข้าใจง่ายลิ้นอ่าชอบ ลิ้มรสนั้นนี้นะคะหรือว่าลิ้น ม, มันไปลิ้มรสแล้วมันเกิดความรู้สึกแม้พึงพอใจไม่พึงพอใจอะไรเงี้ยนะคะเราอดทนให้ได้กายก็ จ, จะเป็นเรื่องกายสัมผัสหรือเปล่าแหมสัมผัสแล้วนุ่มจังเลยชอบอะไรเงี้ยนะคะ <ừ> สัมผัสแล้วไม่ชอบเลยอะไรเง <ừ> ี<ๆ>้ยทีนี้ถ้าสมมติดิฉันคิดอะคะเหมือนกับว่าอดทนกับความคิดที่มันที่มันดีๆแหมมันคิดถึงเขานามันจะตายอยู่แล้วอะไระะ <ừ> เงี้ยค่ะอเราต้องมองมุมนี้ว่าพูดถึงนิวรณ์นะ อีวอนคือความความกาเครื่องกังกันสมมุติเราเจอสัมผัสที่เราไม่น่าพอใจหรือเราเจอสัมผัสที่เราพอใจสมมติของหอมบางอย่างเนี่ยแล้วเราเกิดการมฉันตาขึ้นแต่จิตคุณไม่เป็นสมาธิแน่คเราดมของหอมนะเกิดการมัชันตาขึ้นนะจิตเราไม่เป็นสมาธิครัท่านเพืนบุญแต่เดียวขอประทานโทษนะคะคือดิฉันกำลังจะหมายถึงว่าไอ้พวกนะ้นดิฉันไม่ค่อยสงสยัยอืแต่ดิฉันจะมาสงสัยว่าแล้วที่ดิฉันเนี่ยยกตัวอย่าง ขณะที่กําลังจะพยายามทําสมาธิใช่ไหมคะมจิตเนี่ยมันก็ไปนึกถึงอะไรที่เราชอบมากแล้วทรมานใจสมมุติคนมีแฟนก็นึกถึงแฟนใช่ไหมคะมคนที่กําลังโกรธกับใครมาหนาอยากจะกลับไปฆ่ามันให้ตายซะก่อนมานั่งสมาธิหรืออะไรเงี้ยนะอ๋ออ่าอันนี้มันเป็นความคิดเด็ค่ะท่านคะแล้วมันความคิดอันเนี้ยมันจะเป็น สิ่งที่เราจะต้องอดทนในลักษณะของอะไรครเพราะว่าในนั้นมันมีแค่ตาหูจมูกลิ้นกายใช่แล้วทําให้เกิดสมาธิง่ายคะ่ะอืมเออันนี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องความคิดแค่อะไรต่างๆเนี่ยเป็นเรื่องของนิวรณ์ไงอ๋อท่านกำลังจะบอกเป็นนิวรณ์ใช่เป็นนิวรณ์อือที่อยู่ในจิตเพราะฉะนั้นสมมติเราคิดเรื่องอะไรสักเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วเกิดนิวรณ์ขึ้นอันนั้นไม่ได้ละอ๋อค่ะอันนี้จะเรียกไปอยู่ในหมวดของนิวรณ์ อ, อ๋อค่ะค่ะก็เข้าใจแล้วครับพันกา นะคะปัจจัยที่จะทําให้เกิดสมาธิได้คืออย่างนี้ เ, เข้าสู่สมาธิได้ที่ใช้คําว่าเข้าสู่สมาธิคือองค์ประกอบของการที่จะเป็นผู้ที่มีอํานาจเหนือจิตเนี่ยนะคุณยมติเราจะต้องเชี่ยวชาญในเรื่องสมาธิอย่างมากเลยลการที่เชี่ยวชาญในเรื่องสมาธิอย่างมากเนี่ยพระเจ้าแบ่งเป็นหกอย่างนะหนึ่งการเข้าสู่สมาธิไอที่พูดเมื่อตอนต้นรายการทั้งหมดเนี่พูดถึงแค่เข้าอย่างเดียวนะโ อ, อะแค่ขั้นแรกใช่อันที่สองต้องเป็นผู้ฉลาดในการดํารงอยู่ในสมาธิ นำรงอยู่ในสมาธินะองค์ประกอบของสมาธิสี่ห้อย่างเธอรู้ไหมมีอะไรบ้างจิตเธอเกิดขึ้นหรือยังไม่เกิดขึ้นเธอรู้หรือเปล่า <Okay. S 2> อันที่3ฉลาดในการออกจากสมาธนะิองค์ประกอบ5อย่างเนี่ยที่มันหายไปบ้างจางคลายไปบ้างเธอรู้ไหมนะในสมาธิจิตของเธออันนี้เธอต้องเป็นผู้ฉลาดในการออกจากสมาธิห <Okay. S 2> น้าที่4ี่พรเจ้าพูดถึงการที่กระทํามสมาธิโดยติดต่อเชา้ากลางวันเย็นทํำไหมก่อนนอนทํำไหมก่อนตื่นทํำไหมกินข้าวทํำไหม กินข้าเสร็จแล้วทําไหมอย่างนั้น เ, เรียกว่าติดต่อแล้วหรอคะมันมี <c oughs> เว้นวักไปทําอย่างอื่นในขณะนะอันที่อห้าใช่ไหม <c oughs> ทำสมาธิโดยเอื้อเฟือเอื้อเฟือเป็นยังไงเอื้อเฟือก็คือพระพเจ้าพูดถึงสามองค์ประกอบของสมาธิ <c oughs> นันคือสิ่งที่เป็นนิมิตเพื่อสมาธินิมิตเพื่อความเพียรนิมิตเพื่ออุเบกขาสามอย่างนี้พระเจ้าให้ทําอย่างเอื้อเฟือกันหมายความว่าไงบางทีเราเร่งความเพียรบางทีเราอยู่สงบ บางทีเราไปพิจารณาจะมา mm hmm. ทำสลับกันไปอย่างเอื้อเฟื้ออ๋อค่ะอันที่6อันสุดท้ายนี่คือเป็นผู้ที่ประกอบอยู่ใ น, น, นธรรมอันเป็นที่สบายแกสมาธิธรรมอันเป็นที่สบายแกสมาธิเช่นไรคุณมีท้องอันพร่องอยู่เสมอไหมคุณทรงสุดตาฟังสุดต่าไหมคุณอยู่ป่าไหมคุณมีกิจง่ายเลี้ยงง่ายไหมพวกนี้จะเป็นธรรม ท, ที่เป็นที่สบายแกสมาธิอ๋อคือหมายถึงว่า ไม่ใช่สบายอะไรก็ได้ต้องเป็นสบายในกรอบพุทธวจนะด้วยอ๋อแน่นอนแน่นอนค่ะซึ่งก็จะมีกรอบอยู่ท่านพบูลค่ะอยากทราบจริงๆเลยว่าในคอร์สหลีเกรนที่วัดป่าดอนหายศกเน่นะคะรหรือว่าอย่างทีอ่อย่างวัดนาบ่าพงเนี่ยก็ยึดพุทธวจนะอย่างเงี้ยนะคะอืมอ่าจะมีการสอนไหมคะเพื่อจะให้ท่านทั้งหลายเนเกิดความเชี่ยวชาญในสมาธิะคะ่ะือสอนนี่มันสอนกันได้นะคุณยมติว คือคือสอนเนี่ยะจะพูดยังไงถ้าจะบอกว่าสอนไม่ได้ก็สอนไม่ได้นะคือพูดให้ฟังได้เฉยใช่ั้มแต่เราจะไปแบบเปิดอกฉันจะบังคับจิตของเธอให้วางมุมนี้อย่าวางมุมนั้นมันเราทําไม่ได้ไม่ได้หรือคะพระพุทธเจ้าก็ยังทําไม่ได้เลยคุณหยมติ๋วเดี๋ <c oughs> ฉันนึกว่าถ้าไปหาครูบาอาจารย์ที่ถูกต้องเนี่ยไปได้ค่ะอย่างเช่นว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยถ้าจะบังคับให้เธอทอํางงทจิตอย่างนั้นเธอจะทําจิตอย่างนี้บอกได้เฉย แต่คนที่จะทำเองคือคนนั้นเองคือคุณเองต้องทำเองแต่เราบอกให้ได้นะว่าเธออย่าคิดเรื่องชั่วนะโอ้แล้วคุณไปคิดเรื่องชั่วทำไมอะค่ะเออล้วก็ค่ะงั้นก็เท่ากับว่าเท่ากับว่ามีการบอกถูกไหมคะคือความที่ถูกใช่ความรู้พวกนี้จะให้แต่ท่านต้องปฏิบัติเองถูกต้องอ๋อก็เป็นเอ่อทีนี้ว่าไอเหตุปัจจัยทั้ง หกเจ็ 6, อย่างเนี่ยเราเราจะทาให้ไงเช่นเราให้ข้อมูลที่ถูกต้องอาหารเรามีให้อย่างอาพอประมาณนะให้อยู่เราเลียงง่ายให้อยู่ทรงสุดตาฟังสุดตะเพราะฉะนั้นไอสิ่งที่เป็นธรรมอันเป็นที่สบายแก่สมาธิเนี่ยเราจะให้หมดเพราะฉะนั้นพอเป็นสิ่งที่มีสบายแก่สมาธิแล้วสมาธิมันต้องเกิดถ้าสมาธิไม่เกิดทําไงคุณต้องรับผิดชอบตัวเองท่านผู้บุญคดีฉันก็สงสัยนะครว่าในชีวิตก่อนที่เราจะไปปฏิบัติสมาธิ ส่วนใหญ่แล้วก็จะทำโน่น น, นี่นี่นั่นยุ่งวุ่นวายไปหมดซึ่งเหินห่างเป็นวิธีที่ห่างไกลาจากในช่วงที่เป็นลเลี้เร้นมากใช่ไหมคะเป็นวิถี ช, ชีวิตที่แตกต่างแล้วปรับ ป, ป, ป, ปุป๊บต้องไปอย่างเงี้ยมันต้องเหมือนกินเจไหมคะว่าก่อนไปนให้วอร์มอัพตัวเองอย่างไรล้างท้องอย่างไรก่อนอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะมีไหมคะเออไม่มีนะคือศรัทธาเราต้องมีมีแค่นี้เองนะถ้าเรามีศรัทธามีความเชื่อมั่นคือถ้าคนไม่มีศรัทธาเขาไม่มาอยู่แล้ว นี่เข้าใจครับเพียงแต่ว่ายัางนึกใ น, ในลักษณะที่ว่าแม้เวลาก็มีน้อยกว่าจะหาเวลาไปได้จะมาหาหญ้าหายเย็นไปทั้งทีก็อยากได้ผลเต็มที่<อ>ดังนั้นบางคนเนี่ยเต็มใจถ้าหากว่าจะต้องมีการอุ่นเครื่องอย่างไรช่วงของการอุ่นเครื่องเนี่ยจะอยู่ในในหลักสูตรอยู่เรียบร้อยแล้วถ้าหลักสูตรที่เขาจัดไว้อย่างดี่ะนะก็จะมีเวลาอุ่นเครื่องให้วันสองวันแรกซึ่งซึ่งถ้าทั่วๆไปก็จะเป็นลักษณะนั้น แต่รู้สึกว่าเวลาจะไม่มีให้ท่านพูดเรื่องอุ่นเครื่องแลยค่ะที่ฉันดูนาฬิกาก็ท่านฟังกระแหมกำลังถึงจุดที่จะเตรียมตัว ป, ปฏิบัติธรรมเลยก็คงจะต้องให้ท่านพระพบูลได้ให้ความรู้นี้กับพวกเราในวันอื่นนะคะวันนี้ในวัฒ น, น ก, การขอบพระคุณท่านเป็นอย่างยิ่งเลยคะ่ะท่านฟังนั่นคือพระพบูลอภิปุณโนวัตปารณหายโสอุดรธานีค่ะพุทโธชนะต่างๆที่ท่านพูดนะคะบางบทก็จะมีรวบรวมอยู่ในหนังสือชุดพุดทโธชนะที่ท่านอาจารย์ คือกริโซติพโลท่านเจ้าวาดวัฒนาป่าพง์ซึ่งพระมารชาเข้าโรที่อ่านพระสูตรในตอนแรกท่านก็อยู่วัดแนีน้ย น, นะคะได้เมตตามอบให้กับพวกเราในรายการวันละ3ท่านติดต่อมาที่0 2 2ย์0 0 0สส่วนท่านที่จะถามคำถามนะคะ p ท e ธ t h ม m คอมหนึ่งด้วยก็ได้ค่ะวันนี้เราลากันไปแต่เพียงเท่านี้พุทธวัสวสดีค่ะ